มันเกาะถนนทางบินทบาทลื่นพอสมควรอยู่วันนี้ถ้ามันตกไปอีกสักสองสามวันผู้ใดอยู่นะที่ใดต้องระวังนะระวังเป็นพิเศษถ้าไม่เป็นจาเป็นอย่าออกไปเดินอย่าออกไปเดินเพนผ่านออกไปเดินเล่นดูดูดละอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ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 วนันเมื่อก่อนลุงพ่อได้เห็นข่าวว่างูนะั่นแหะงูสามเหลี่ยมนะบ้านเราแต่ภาษาทางภาคกลางเขาอีกเรียกว่างูสามเหลี่ยมบ้านเราเนระียกว่างูทําทานงูทําทานคือสีดําสีขาวสีดําสีขาวอันนี้งูจะนิชอบไปกลางคืนหากินกลางคืนกลางวันจะไม่ค่อยออกถ้าไม่จําเป็น ถ้าใครเห็นงูงูทำทานกลางวันเนี่ยแปลว่าพวกนั้นต้องมีเคาะมีเข็นนะคนโบราณก็ถือถึงขนาดนั้นแหละแต่งูตัวนี้ชอบไปกลางคืนแต่ถ้าว่าเรามเห็นแสงไฟเราเห็นเราฉายไฟฉายไปเนี่ยเราจะเห็นสีขาวสีดำเห็นได้ไกลงูตัวนี้เห็นได้ไกลไ ม, ไม่ไม่ไม่ใกล้แต่ว่าพิษ ร้ายแรงมากที่หลวงพ่อพูดได้ทราบข่าวนัน่นกันน่ะพอกลางคืนมางูมันหาไปออกไปหากินน่ะมันเข้าไปในบ้านคงอย่าบ้านเตี้ยมพอเห็นผ้าห่มมัก็มุดเข้าไปในผ้าหม่มเด็กมันก็ไม่ได้สังเกตเด็กเข้าไปนอนน่ะงงูตัวนั้นเลยกัดกัดเด็กเลยตาย เป็นเรื่องเป็นเา่แต่กระนูงูทั้งก็ใหญ่พอสมควรนะที่เขาถ่ายรูปไม้ดูเท่ากับกระบอกไฟฉายยาวเป็นวาสถ้าเป็นกระบอกไฟฉายนี่แหละที่พูดทางนี้ให้ทางนี้ฝังไม่ให้กลัวแต่ให้ระวังเวลาเราจะออกจากที่พักโดยเฉพาะอย่างยิ่งกุฏิชั้นล่างเวลาจะออกจากกุฏิ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 ทุกหลังประตูก็ปิดอย่างดีพวกมแมลงพวกสัตว์มันเข้ายากเพราะว่าเราปิดอย่างดีเว้นเสียถื อ, อลงมาจากข้างบนบางทีเราใส่สยิบซ้ำยิบซ้ำบอร์ดคูบาเข้าไปอยู่ก็ไม่ได้ดูแลฝนมันลวอยู่ข้างบนลงมาตกใส่ยิบซ้ายิบซ้ำ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 เดี๋ยวข้าจะขยี้ลังแก่เดี๋ยวนี้ลหละพอวาเธอไดกระโดดไปจะจับนกนกขมิ้นนกขมิ้นก็รีบออกจากหลังจากนั้นกับปลิงตัวนั้นก็เลยขยาลังนกขมิ้ น, นโยนลงไปนี่แหละสมัยนั้นพระพุทธเจ้าหัวเ น, นี่ย น, นกขมิ้นกับปลิงสรุปแล้วก็ น, นกขมิ้นก็สอน สอนคนสอนผิดที่ผิดทางเหมือนกันนะถ้าจะว่าไปก็น่าตหนกตำหนินกขมิ้นเหมือนกันแต่มันก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่าลิงจะเกเรถึงขนาดนั้นสอนนักเรงไะนักเรงมันไม่ยอมฟังไมันก็เลยเข้าไปกล้งหนักหลังนกขมิ้นนกขมิ้นก็เลยเพ่นหนีตากฝนเหมือนกัะลิงเลยทีนี้นั่นะ